บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปจะสังเกตได้ว่าอารมณ์ของกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยนิยตต่างๆในมหาถสถติปัฏฐานสูตรเอง ก็เกาะกลุ่มเป็นหกกลุ่มใหญ่ๆแต่พอย่อยออกไปแล้วก็มีถึงยีบเอ็ารมณ์แท้จริงแล้วอารมณ์เหล่านั้นมันก็คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นรูปกับเป็นนามสิ่งที่เป็นรูปก็คือสิ่งที่เราได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกลิ้มด้วยลิ้นและถูกต้องด้วยกายสิ่งที่เป็นนามก็คือสิ่งที่เรารู้ด้วยใจ ในขยขนกรณีของอายตนะปร ะ, ะที่ได้กล่าวกันมาโดยํำดับนั้นผู้สังเกตว่ารูปเสียงกลิ่นรสอุธพะที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเป็นส่วนของรูปส่วนความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในใจเป็นความยินดีเป็นความยินร้ายเป็นความชอบความชัง แต่เราทังตัวจิตเองก็เป็นนามสรุปแล้วก็คือเรื่องของรูปกับนามมองไปมองมาโลกทั้งปวงเองก็คือรูปกับนามถ้าไม่เป็นรูปก็ต้องเป็นนามถ้าไม่เป็นนามก็ต้องเป็นรูปสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมดาเพียงแต่ว่าพระเจ้าทรงสั่งสอนให้บุคคล หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นในแง่มุมต่างๆเพราะตรงธรรมที่เรากล่าวกันมาโดยทำดับที่สรุปเป็นกายเวทนาจิตธรรมนั้นในส่วนของกายก็คือส่วนที่เป็นรูปธรรมกายของเราเองก็นำมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็พยายามควบคุมการแสดงออกทางกายทางวาจาไม่ให้มีปัญหาโดยระบบ ที่เราเรียกว่าศีลและขณะเดียวกันกายก็เป็นผิดผลจากธรรมชาติซึ่งตกอยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมดามันเคยเป็นยังไงมันก็เป็นเข้ามาอย่างนั้นกายจึงกลายเป็นเครื่องมือในการฝึกสมาธิไปด้วย เพจะเห็นว่าการตั้งสติระลึกรู้อยู่ลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นส่วนของรูปธรรมเรหายใจเข้าออกก็เป็นปกติธรรมดาของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายมันก็เป็นอย่างนั้นเองเพียงแต่พระเจ้าทรงสอนให้ตั้งสติระลึกรู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกตัวลมหายใจก็เป็นที่เกาะของจิตหรือเป็นที่ตั้งของสติ การพูดเป็นที่ตั้งของสติหมายความว่าพูดถึงสิ่งที่เข้ามาปรุงจิตหรือพูดเป็นที่ตั้งของจิตก็หมายถึงพูดถึงตัวจิตเองแต่จริงจิตกับสติก็ต้องเกิดรวมกันแล้วแต่ว่าจะทรงสื่อสารด้วยคำไหนเท่านั้นพูดอย่างหนึ่งก็คือพูดอีกอย่างหนึ่งอยู่ด้วยลมหายใจก็คงเป็นลมหายใจ ยิ่งแต่เราไปเพิ่มสติสัมปชัญญะความเพียรระลึกรู้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อเพ่งมากเข้าลมหายใจเข้าออกก็กลายเป็นครูแล้วก็กลายเป็นปัจจัยเสริมส่งให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตแล้วลมหายใจก็จะสอนกติธรรมดาของชีวิตต่างๆไว้เป็นนั้นมา ก็ลมหายใจเข้าออกคือกาอยจะสังขารคำว่ากายจสังขารนั่นคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายเอาไว้รนปนือร่างกายเอาไว้บำรุงรักษาร่างกายเอาไว้ร่างกายเราอาจจะขาดอะไรไปบ้างก็ได้แต่อยขาดลมถ้าขาดล ม, ดลมร่างกายก็อยู่ไม่ได้เพราะพอศึกษาไปศึกษามาในจุดนี้ท่านจะเห็นว่าจุดหนึ่งก็ส่งสอนในแนวให้มองความซึ่งบ เขาเรียกมองเพื่อให้เกิดสมาธิแต่เราก็เห็นได้ชัดว่าในความเป็นสมาธินั่นเองศีลมันประณีตขึ้นเช่นเรานั่งเจริญสมาธิศีลในขณะนั้นบริสุทธิ์ระดับกายระดับวาจาเพราะโดยตัวไปแล้วศีลหยาบๆก็พูดถึงกายกับวาจาเท่านั้น แต่พอฝึกปลือจนจิตใจสงบเป็นสมาธิศีลมาก็สงบกาถึงจิตหมายควา ม, มาแม้ความคิดที่เป็นเหตุแล้วเมื่อศีลก็ไม่มีคนนี้จะที่ทรงแสดงศีลขาดศีลทะลุศีลด่างศีลพร้อยเอาไว้เราเห็นได้ชัดเพราะพอพจิตสงบเนี่ยศีลจะไม่มีทั้งขาดทั้งทะลุทั้งด่างทั้งพลอยแต่ศีลจะน้ม น, น้องเข้าหาสมาธิ ก็แสดงว่าศีลก็ประนีตขึ้นสมาธิก็ประนีตขึ้นตัวอย่างเช่นองค์ของป่านาติบาสัต์นั้นมีชีวิตเรรู้ว่าสัตว์มีชีวิตจิตคิดจะฆ่าสัตว์มีชีวิตเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตนั้นเป็นปกติธรรมดาแต่ที่ดบคุมก็คือคุมจิตคิดจะฆ่า ไม่ฆ่าด้วยกายตัวเองไม่ใช่บุคคลอื่นฆ่าแล้วคุมก็ไปถึงจิตคือไม่คิดที่จะให้เขาตายที่ต้นใช้คำว่าพักาจตนาหคือคุมความคิดที่จะฆ่าประคุมความคิดได้อย่างอื่นก็สงบความพยายามที่จะฆ่าก็ไม่เกิดสัตว์ตายก็ไม่เกิดขึ้นท่านเห็นว่าองค์ศีลทั้งห้า พ อ, อมาถึงสมาธิมันต้องคุมแค่องค์เดียวท่านเด็กคือคุมวัฏกะเจตนาคือเจตนาที่จะฆ่าพอเจตนาตัวนั้นสงบคือความคิดที่จะฆ่าไม่เกิดขึ้นภายในจิตศีลนันก็บริสุทธิ์หมดจดศีลยังเป็นปันจจัยเสริมให้เกิดสมาธิที่ทรงเรียงในตอนสุดท้ายของศีลที่เรียกว่าพระนิจเจ้ายกย่องสรรเสริญว่า สมาธิสังวัตนิกาหมายความมาโนมน้อมจิตเข้าไปสู่ความสงบตัว น, นี้เป็นอาการของศีลแลตั้งใจสำรวมระวังมาก่อนหรือไม่ก็ตามแต่ตอนนั้นมันก็เป็นศีลแล้วแเรามองกลับไปที่ตัวบุคคลจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ า, อ ย, า, ยวาอย่างยกตัวอย่างยักษะกุลบุตร ก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านไม่รู้เรื่องศีลเรื่องธรรมอะไรมาก่อนหรือพอ่พอของท่านยาศาเองก็มีลักษณะอย่างนั้นมาถึงข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้ารับสั่งให้นั่งแล้วก็ทรงแสดงธรรมพอสติท่านระลึกอยู่ที่กระแสธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงสมาธิในเสียงก็เกิดขึ้น อาการทางกายทางวาจาก็เป็นศีลศีลก็เข้าถึงจิตก็กลายเป็นศีลสมาธิจิตสงบนั้นเองเป็นตัวสร้างปัญญาขึ้นมาปัญญาเพิ่มขึ้นความสงบเพิ่มขึ้นศีลประณีตขึ้นแล้วในสุดท่านเหล่านั้นก็บรรลุมรคลเป็นพระรหานเป็นพระโสดาบันในตอนต้นต่อมาพระยาศาก็บรรลุมรคลเป็นพระหาน ก็แสดงว่าในที่ที่ท่านนั่งนั่นเองงานทั้งหมดต่อไปเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นจิตส่งไปตามกระแสธรรมะที่ทรงแสดงจิตจะระลึกรู้แนบแน่นอยู่กับกระแสธรรมะจะพิจารณาในกระแสธรรมะจะเกิดเกิดความรู้เห็นตามความเป็นจริงขึ้นมาก็กลายเป็นศีลสมาธิปัญญาที่สมบูรณ์ พ้ทบทเรียนตรงนี้จึงใช้ทั้งตัวรูปและตัวนามในตอนแรกเป็นการคุมตัวเราก่อนในการช่วงที่สองก็ประคุมที่ตัวจิตให้กำหนดระลึกรู้อยู่ในอารมณ์ตรงนั้นเพราะก็จริงแล้วอารมณ์นั้นเป็นอะไรก็ได้ประเด็นสำคัญท่านสอนเพียงแต่ว่าให้มันเป็นสัปปายะ คือคิดแล้วใจมันสงบใจมันสบายขึ้นมาท่านจึงสอนให้เลือกในตอนต้นเช่นไม่พิจารณาสิ่งที่ใจตนกำหนดรักใคร่พอใจหรือไม่พิจารณาในสิ่งที่ตนไม่ชอบแต่พิจารณาสิ่งที่เป็นกลางกลงก็สิ่งที่ตนมีความเคารพนับถือด้านลมหายใจเองก็เป็นกลางๆง ย, ยืนเดินนั่งนอนก็กลางๆอาการเคลื่อนไหวทั้งปวงยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดคูขขดขแขนเหยียดแขนซักผ้าเหยียดมือเหยียดเท้าจับต้องสิ่งอะไรก็ตางสิ่งเหล่านั้นเป็นอาการปกติเพียงแต่เอาสติไปจับเท่านั้นเองสิ่งนั้นแกเป็นก็แกยังไงก็คงเป็นอย่างนั้นเราหาประโยชน์จากสิ่งนั้นโดยไม่ไป เปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นถึงนั้นก็คงเป็นสิ่งนั้นแม้แต่การพิจารณาร่างกายทำแนวอภิญหาปัจจเวคขณะซึ่งที่จริงแล้วเป็นวิปัสสนากรรมฐานเราดูที่ตัวความแก่ความเจ็บความตายการพ ร, พราดพาคสูญเสียที่เกิดขึ้นก่นร่างกายแต่ร่างกายก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ไปแก้ไขไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่พลดพลากได้ แต่เราก็หาประโยชน์จากความแก่ความเจ็บความตายที่เกิดขึ้นกับร่างกายแน่นอนร่างกายก็ไปธรรมดาของร่างกายเราได้หาประโยชน์จากร่างกายตรงนั้นและจนสามารถถ่ายถอนความรู้สึกเป็นเราเป็นของเราเป็นตัวตนของเราในกายออกไปได้ซึ่งเป็นระดับของวิปัสสนาคาสอนตรงนี้ก็มาด้วยมา จนมันดูสิ่งที่เป็นกลางๆเช่นอาการ32คือผงขนและบันังดูช่วงแรกก็ดูให้จิตสงบก่อนพอจิตสงบตั้งมั่นและสิ่งเหล่านี้ที่จริงมันสอนมันสอนเราในขณะที่จิตสงบ ซึ่งคนนี้อาจจะดูอย่างอื่นก็ได้เช่นพระพุทธเจ้าทรงมอบดอกบัวซึ่งทรงนิรมิตขึ้นด้วยทองเป็นดอกบัวทองคําสวยงามวิจิตรพิสดารนะเราจะเหนว่าอารมณ์นี้เป็นอารมณ์ศิลปะดอกบัวนั้นเป็นศิลปะภิกษุรูปนั้นเป็นช่างทองซึ่งมีความทราบซึ่งดื่มดําในเรื่องศิลปะ เรเธรรมก็เกิดขึ้นมาเกาะตรงนั้นทันทีมีสติสัมปชัญญะความเพียรเราลึกรู้อยู่กับดอกบัวตรงนั้นนั่งอาการทางกายทางวจาก็สงบก็เป็นศีลตั้งสติเราลึกรู้อยู่ที่ดอกบัวพร้อมในตาที่เพ่งไปคือใช้ทั้งรูปทั้งนามดอกบัวเป็นรูปตาเป็นรูปจิตเพ่งเป็นนามสติสัมปชัญญะเป็นนาม ไปเพ่งอยู่ที่ดอกบัวพอจิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิพระเจ้าก็เริ่มบรรดาญโดยพุทธานุภาพไปดอกบัวเริ่มเปลี่ยนแปลงไปโดยลาดับสีค่อยจางลงกรีบค่อยคดค่อยงอค่อยโคง้งค่อยเขียวเฉาลงไปที่ดวยจนถึงร่วงหล่นไปโดยลาดับ เป็นการแสดงให้เห็นเรื่องความเกิดความแก่ความพลัดพรากความตายซึ่เกิดขึ้นแก่สิ่งไม่มีชีวิตเป็นการสอนให้มองอุปาทิฏฐิผังคะคือขึ้นนั่งอยู่ดับไปแต่ว่ามองที่ดอกบัวตัวนี้ก็สอนเรื่องใหลักสอนเรื่องความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ดอกบัวมันสอนเราดอกบัวก็คือดอกบัวไปนั่งดูที่ไหนก็ได้ เอาดอกบัววางไว้ที่หน้าพระแพ่งระลึกให้สงบ ม, มันก็เป็นสมถกรรมฐานเริ่มพิจารณามันก็กลายเป็นวิปัสสนาเป็นการเพิ่มปริมาณธรรมะเข้าเท่านั้นสิ่งทั้งหลายก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นหรือการที่สงมอบผ้าขาวให้แก่พระจุลปันโทมาบริกรรมสงมอบผ้าขาวให้แล้วก็วาง ท่านก็นั่งขย่ำบริกรรมผ้าไประโชคาระดังงรโชระดังแปลว่าผ้าเปื้อนฝุ่นนั่นแน่เองคำบริกรรมไม่มีความหมายอะไรแต่มันเตือนสติคนว่าผ้านะมันเปื้อนฝุ่นดูไปดูมาไม่ใช่เปื้อนเฉพาะผ้าจใจคนก็เปื้อนอันนั่นก็เปื่อนอันนี้นก็เปื้อนอันนันก็เปื่อนก็มีสิ่งจะ่เปื้อนแต่เอเปื่อนนั้นทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์ก็คือต้องชาระล้างออก ผ้าเปื่อนก็ต้องซักจิตเปื่อนก็ต้องชำระสิ่งที่ทำให้จิตเปื่อนบ้านสุขปรกก็ต้องขัดทั้งเช็ดถูบ้านให้เกิดเป็นความสวยงามตรงนี้ท่านจะเห็นว่าจริงๆก็เรื่องธรรมดาธรรมดาเพียงแต่ว่าทรงนำมาสอนให้บุคคลได้คิดแล้วมาแก้ปัญหาที่จิตใจตัวเองเป็นการศึกษาเรียนรู้แม้จะข้างนอกแต่น้อมมาแก้ข้างใน ซึ่งผิดกับการศึกษาของชาวโลกโดยทั่วๆไปคือมุ่งจะไปแก้ที่คนอื่นปรับเปลี่ยนแก้ไขดุดดาต่อว่าต่อขานทุกคนอื่นต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ควรเป็นอย่างนั้นควรเป็นอย่างนี้แต่ตัวเองแก้ไขไม่ให้บังคับคนอื่นให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ซึ่งผิดหลักการในทางพุทธศาสนาเพราะเกิดโลภะโทสะอยู่ตลอดเขาแก้ได้เราเกิดโลภะอยากให้แก้ต่อไป แกไม่ได้เราเกิดโทสะเราไม่สงบไอ้ริงโน้นก็ไม่สงบก็เป็นกรรมของเขาแต่เราไม่สงบก็หาเรื่องสร้างกรรมให้แก่เราเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องวิธีการของกรรมฐานวิธีการของศีลสมาธิปัญญาเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ตนเองก่อนแล้วก็ไป ชี้แจงบอกแนวทางแก่คนอื่นเวลาแก้ที่จริงเขาแก้เขาเองเราก็ทำได้แค่บอกแนวทางให้เท่านั้นพอใจจะแก้ปัญหาก็แก้ปัญหาไม่แก้ก็แล้วไปเป็นเรื่องของเขาจิตใจเราก็ปรับเปลี่ยนไปตามสุกวรแก่กานีของเมตตากรุณามุติตาอุเบกถึงจุดหนึ่งไม่เป็นไปตามที่หวังว่าทำใจเป็นอุเบกขา จำนวนบาลีท่านใช้คําดีว่า น, นิกังโขคือมีความหวังออกแล้วแสดงว่าไม่มีความหวังคือกระจัดความหวังออกไปคําตรงนี้บางกรณีหมายถึงการกระทาที่นอกวิสัยคือเราแก้ไขไม่ได้ก็ไม่ตั้งความหวังอะไรเพราะมันมันนอกวิสัยที่จะทำได้อีกหนึ่งเป็นอาการของจิตที่ไม่มีกิเลสตัวหมายความไม่ไปตั้งความหวังอะไรเช่นเดียวกัน มาตรวจสอบดูที่ธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟอาก า, าศธาตุ่าคงเป็นธาตุน้ำลายคงเป็นน้ำลายน้ำเหงือ่อคงเป็นน้ำเหงือ่อผงคนและผนังก็คงคงเป็นผงขลและผนังอยู่นั่นเองเป็นสภาวะธรรมที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แต่เมื่อกลายไปที่ตั้งของความกําหนัดเพลิดเพลินชื่นชมยินดีเป็นเราเป็นเขาต่อสู้ยื้อแย่งประหัตประหารสร้างบาปสร้างกรรมกันด้วยกายซึ่งไม่ใช่เป็นของเราแต่เราก็อาศัยมันทาําบาปพระเจ้าก็อาศสอนให้อาศัยมันทําความดีแต่กายก็กลายเป็นที่อาศัยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเราใช้ประโยชน์จากมันได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรเท่านั้น การนั้นต้องทิ้งแน่นอนเราก็รีบเร่งหาประโยชน์จากกายตรงนี้มาเรียนจากตรงนี้ท่านเด็ว่ามันก็มีทั้งรูปทั้งนามแต่อย่าลืมว่าสิ่งเหล่า น, นี้มันสอนเราอยู่ด้วยเรานั่งดูพิจารณาไปพิจารณาไปอย่างที่พระจุลปันธาท่านรูปผ้าขาวมันเริ่มจากขาวแต่ในความเป็นขาวนั้นไม่ใช่สะอาดรอ จริงแต่เราไม่เห็นด้วยตาเท่านั้นเองพอท่านเอามือซึ่งมันสกรปรกแล้วก็มีเหงื่อนั่งอยู่กลางแดดมีเหงื่อมาขยี้ผ้าไปขยี้มาขยี้ไปขยี้มาหลับตาบริกรรมระโชหระรง낭ระโชหรณังผ้าเปื้อนผุนพอลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าผ้าขาวเริ่มสกรปรกขึ้นไปเรื่อยจนดำมีเหงื่อมีใครมีฝุ่นเปื้อนอยู่ที่ผ้า น้อมเข้ามาหากายเห็นกายเป็นที่ตั้งของมนทินทุลีต่างๆเข้าใจกายตัวเองมองกายคนอื่นเอากายคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้คนโน้นก็เป็นอย่างนั้นภาพเหล่านี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าเหมือนที่เจ้าชายธิตะมองสนมคนนั้นในในปราสาทเหมือนกับที่ประยศะมองสนมคนนั้นในในปราสาทต่างน อาการไม่ปกตินั้นไม่ได้มีเฉพาะคนใดคนหนึ่งแต่มีเป็นอย่างนั้นมันเป็นข้งมันอย่างนั้นเองหาที่เกาะที่ยึดเหนีย่ยวที่จะให้ความสบายใจไม่ได้แล้วในสุดา ก, ก็ต้องปล่อยวางคล้ายๆกับเราเดินไปในป่าชาอาจจะรู้สึกเพลิดเพลินจนชมยินดีที่มีคนนอนอยู่เยอะ จะไปจะมาหนะักกวคนตายนี่กว่คนตายน้กวคนตาย ค, ความพอใจมันหายหายไปเกิดความสะดุ้งเกิดความหวาดกลัวเกิดคิดจะดีและเกิดหาทางที่จะหนีนี่เป็นสภาพจิตพอถึงจุดหนึ่งมันจะเห็นมันอย่างนั้นพอเราไปหลงรักหลงชังหลงผูกพันเดี๋ยวก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแตกสลายไป ตอนเราไม่รู้เป็นความคิดอีกอย่างหนึ่งพอตอนรู้ขึ้นมานี่ความคิดจะเป็นอีกอย่างหนึ่งกับเรื่องเดียวกันนั่นเองเรื่องการีเหล่านี้เช่นพระรูปปานทาเทรีมันก็แนวนั้นเหมือนกันพระรูปปานทาเทรีซึ่งเป็นกานิีถภักดนีของพระพุทธเจ้าเป็นน้องสาวพระพุทธเจ้าประชวรอายุห่างกันเพียงสองสามปีแต่นั้นเอง ตอนพระเจ้าศัตรูนั้นพระนางก็อย่างน้อยก็สามสิบสองกว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปเทศแถวตรงนั้นได้เพราว่าก็ไปทั้งสามสิบเก้าสี่สิบแล้วกว่าที่นางจะเสด็จออกผนวดพระพุทธเจ้าก็สี่สิบกว่าแล้วก็แสดงว่านางเองก็ต้องสี่สิบกว่าแล้วสี่สิบกว่าก็ไม่ใช่สาวแล้ว แต่ท่านยังหลงไหลครั่งไคลยในรูปตัวเองปลนปลือรูปตัวเองเป็นภิกษุณีก็ดูแลธนุธรอมร่างกายตัวเองจนพระพุทธเจ้าต้องใช้อุบายวิธีต่างๆบีบบงังคับให้มานั่งอยู่ต่อเฉพาะพระพักตร์ให้ได้มาโยมมาฟังเทศต้องส่งคลมาฟังแทนมาฟังก็มาแอบข้างหลังคนอื่นหลายเรื่องพระเจ้ทรงบันดาลเมื่อนางเข้ามาในวันที่รับสั่งให้มา ตรงบรรดาลโดพุทธานุภาพไว้มีรูปผู้หญิงอายุสิบ6สบสวยงามมากคนอื่นไม่เห็นแต่เห็นเฉพาะนางรู ป, ปนัณทาสติของนางก็จับที่ตัวรูปผู้หญิงตรงนั้นตาก็จับตรงนั้นจิตก็คิดถึงรูปนั้นสติก็เลึกรู้อยู่ที่รูปนั้นนิ่งนิ่มก็เป็นสมาธิเหมือนกัน มีความกำหนัดความเพลิดเพลินความพอใจยินดีไอ้ความกำหนัดที่เคยมีในตัวเองว่าเราสวยอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งหลายปีตั้งสี่สิบกว่าปีเนี่ยมันหายไปมันไปเกาะอยู่ที่รูปหนึ่งก็แสดงว่าเริ่มเข้าใจเริ่มผ่อนคลายความกำหนัดเพลิดเพลินยินดีในกายของตนแต่ว่าตอนนี้ก็ไปติดในกายคนอื่น ซึ่งลักษณะวิ่งอย่างนี้ที่ส่งอุปมาจิตเหมือนกระวานหนอนมันจับกิ่งนี้วางกิ่งนี้แล้วก็จับกิ่งโน้นจับกิ่งโน้นแล้วก็วางกิ่งโน้นก็จับกิ่งโน้นไปเรื่อยๆจิตมันจะวิ่งของมันอย่างไรไอ้ตรงนี้ไม่สวยก็จับตรงอื่นแล้วเราดูง่ายๆเรารับประทานอาหารวันโตะอาการวิ่งของจิตคืออาการสายของช้อนอาการสายของตาตักไปแล้วไม่ชอบเปลี่ยนถ้วยตักไปแล้วไม่ชอบก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นอาการสายอย่างนั้น เพราะพูะเจ้าก็อาศัยธรรมชาติคือใจมันก็สายสายเขให้มาจับพอจับนิ่งๆมันก็เริ่มเปลี่ยนให้เห็นพ่าขนาดรูปประณีตอย่างเนี้ยสวยงามอย่างนี้ประณีตอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนละแต่ทรงเปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเช่นเดียวก็เปลี่ยนดอกบัวเปลี่ยนเร็วแตรูปมันไม่เปลี่ยนเร็วขนาดนั้นแต่ให้เห็นว่าชีวิตนั้นมันขึ้นอยู่กับการถ้ารนการนิดเดียว จากจุดเกิดถึงจุดตายมันก็ใกล้กันนิดเดียวเพียงแต่ว่าการมันเหยียดออกไปเราก็รู้สึกมันนานมาเทียบอายุของยุงเทียบอายุของลู ก, ลกน้ำเทียบอายุของสัตว์เล็กมาเรื่อยๆจนมาเทียบอายุของช้างของอะไรๆของเตา่าแต่ว่าก็จบลงที่ตายเหมือนกันจากนั้นก็ทรงสอนตอกย้ำให้นางรูปปนันท่าเขียนโดยแต่ว่าเรียนจากรูปข้างนอก ซึ่งทรงบรรดาให้แก่กว่านางเะอีกคือจากสาวห้าสพักเดียกลายเป็นคนแก่ร2 0สปีแล้วก็ลม้มลงชักดิ้นชักงอตายแล้วก็กลายเป็นศพศพก็ขึ้นอืดอึได้เห็นเลก็ขึ้นอึดเต็มที่น้ำเหลืองก็เริ่มไหลแล้วก็เริ่มย่อยสลายกลายเป็นผงกระดูกให้เห็นในขณะนั้นเป็นการสะท้อนภาพของการเกิดดับที่ต่อกันมา ก็นางรู้สึกเพ่รู้สึกกกใจก็อาจจะวิไปเกาะที่ตัวเองพระเจ้าก็เริ่มสอนให้ดูชี้ตัวเองว่ามันเป็นเช่นนั้นเองเป็นอย่างคนที่ข้างหน้าเธอเป็นนั่นแหละในสุดนางก็ถ่ายทอนความกําหนัดบรรลุเมื่อคลเป็นพระหันในขณะนั้นนั้นประเด็นสําคัญอยู่ที่การตั้งสติสัมปชัญญะระลึกรู้ถามมาเรื่องรู้อะไรก็บอกว่านามารูป นามรูปอะไรตามใจเอาตามที่เราพอใจก็ได้กันบางครั้งอาจจะมองใบไม้อาจจะมองใบไม้เหลืองใบไม้เขียวใบไม้อ่อดใบไม้เพิ่งแตกบ้านก็คือได้คือกันเราเห็นความเกิดเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเห็นความแตกตับแม้แต่ในใบไม้ว่าสิ่งทัางหลายก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกัน การจเจริญกรรมาฐานก็คือการใช้สติระลึกรู้เท่าทันดึงอารมณ์ทั้งหลายถามรูปแบบนี้จะเป็นไหมที่จริงไม่มีก่อนจําเป็นเพราะตัวการมันอยู่ที่จิตมันเป็นงานของจิตกรรมาฐานก็คือ ง, งานที่บุคคลจะพึงทําทางจิตการกําหนดเป็นการนั่งคูบันหลังตั้งกาย ท, ทรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้ามือขวาทับมือซ้ายท้าขวาทับเท้าซ้ายเป็นรูปแบบ ให้สะดวกในการนั่งนานๆเพราะว่าเราใช้ระลึกรู้ดูลมหายใจพอถึงจุดหนึ่งเราตามลมไปถ้าเรียบบทอื่นมันก็ดูลมไม่ชัดอย่าบทนั่งนั่งตรงๆก็จะทําให้เห็นลมชัดขึ้นสมาธิก็จะเกิดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ตามระลึก น, นั้นจิตมันยังวิ่งได้เพราะถ้า น, นิ่งไปจับตรึงเอาไว้ในจิตมันจะติ้นอย่างที่ทรงอุปมาว่าจิตมือนกระปรา มันอยู่ในน้ำจะเริ่มเติบโตอยู่ในน้าแบกไหวไปอย่างอิสระเสรีแต่ถ้าเราดึงปลาขึ้นมาจากน้ำ น, นิ่งจับพวดเดียวขึ้นมาปรามกระดิบเราทำยังไงจับปลาจะให้ดิบก็คือสร้างความคุ้นเคยใหม่แต่ขีดวงให้ปลาแคบข่าวคือไหวได้แคบข่าวท่นันอยู่ในภาชนะที่เล็กตรงปลาคงไหวอยู่ ในถึงจุดเดิงก็ปรับตัวคุ้นได้แล้วก็ไม่วิ่งไหวพ่านไปในที่ต่างๆพอถึงจุดหนึ่งก็เกิดความสงบขึ้นวิธีการากุกจิตที่สงวางเอาไว้โดยอุบายวิธีต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นทําให้เราเห็นว่ารูปนามก็คือชีวิตรูปนามก็คือครูรูปนามก็คือ สิ่งที่เป็นโลกแล้วก็เป็นมรรคผลิพันแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้จากอะไรก็ได้แม้ยังกันนีน้ําท่วมเราเห็นว่าเราเองก็คือดินน้ําลมฝออากาศไอข้างนอกมันก็ดินน้ําลมฝอยอากาศน้ําท่วมก็คือน้ําท่วมน้ําท่วมข้างนอกประมารระวังให้ดีไม่ถึงตายน้ำท่วมท่วมปอดตายเลยท่วมข้างในเลยทำที่ตาย รวข้งางนอกถ้าเราระมัดระวงังมันก็ไม่ตายก็จะเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นมันเป็นวิกฤตมันมีแต่เรื่องอดทนแล้วก็พยายามแก้ไขก็แก้ไขไปจะไม่โทษใครไม่ได้แล้วก็ใครก็โดนบรรดาลไม่ได้เพราะทุกคนก็คือดินน้าลมอยอากาศด้วยกันทั้งนั้นก็จะทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจแล้วก็หาประโยชน์จากจุดนั้นในด้านต่งตาง จนถ้ามีความเฉลียวฉลาดสามารถจะได้ทั้งระดับศีลสมาธิปัญญาผู้เจ้าทรงสอนให้บุคคลดูกระแสน้ำที่หลากแล้วก็พัดพาเอาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายสูญหายล้มตายบาดเจ็บพลัดพรากสูญเสียเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากก็ทรงดยเห็นว่า พวกน้ำเหล่านี้มันมันทำอะไรได้อย่างมากที่สุดนี่แค่ตายแล้วนด้นี่ยแต่พวกน้ําคือกิเลสเนี่ยมันพัดนพันทุกทรมานตายแล้วตายอีกเกิดแล้วเกิดอีกทุกแล้วทุกอีกหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏฐานที่สุดไม่ได้แต่ตอนนี้ไปขอให้ตั้งใจทําความสงบสุขก่ อ, อไป